นี่สำหรับคนดีสำหรับคนดีมีบุญมีกุศลก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกทิพย์ชั่วระยะเวลาหนึง่งซึ่งมีสภาวะต่งตางๆแตกต่างไปจากโลกของเราเป็นอันมากจิต <c oughs> ของเราก็จะตื่นตัวมากขึ้นความรู้สึกประทับใจในจริยธรรมก็จะมีมากขึ้นคือไม่ต้องยุ่งกับเรื่องธรรมะกินมาก หมักนักเรียกว่าไม่ต้องทํามาหากินก็ได้ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลแห่งบุญกรรมะพลูไปชีวีโรงเรียนโลกก็เหมือนกับโรงเรียนสามัญคือว่าโรงเรียนสามัญ น, นี่อนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนราวปีแล้วปีเล่าเพื่อเรียนวิชาซ้ำซํำๆกันนั่นเอง ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล้าจนกว่าจะจบหลักสูตรแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าถ้าเป็นผู้ที่เรียนจบชั้นสูงสุดแล้วก็ไม่ต้องเรียนอีกต่อไปโรงเรียนโลกก็ทำนองเดียวกันคือว่าจิต <c oughs> ของเราจะต้องมาสู่โลกนี้ชัดแล้วชัดิล่า เพื่อเรียนบทเรียนซ้ำๆกันนั่นเองเพื่อให้วิญญาณหรือจิตได้จานานและรู้แจ้งในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตแล้วก็ประมวลลงเป็นบทเรียนที่วิญญาณของเราจะต้องเรียนรู้และทรงจำวิญญาณที่เรียนจบปักสูตรสมบูรณ์แล้วก็ออกจากโลกไปไม่วนกลับมาอีก เรียกว่าโลกุตระะขึ้นสู่โลกุตระก็แตกต่างระหว่างโรงเรียนสามัญกับโรงเรียนโลกก็คือว่าในโรงเรียนสามัญนักเรียนผู้ไม่สมัครใจไม่สมัครใจเรียนอาจจะลาออกจากโรงเรียนในระหว่างก็ได้แต่โรงเรียนโลกทําอย่างนั้นไม่ได้นักเรียนของโรงเรียนโลก คือคนทุกคนจะออกจากโลกไปได้โดยยังไม่จบบทเรียนไม่ได้ผู้ที่จะออกจากโลกไปได้เป็นโลกุตตะรชนก็เฉพาะผู้ที่จบบทเรียนสมบูรณ์สูงสุดแล้วเท่านั้นความทุกข์ยากลำบากเป็นบทเรียนที่สูงค่าของชีวิตชีวิตยิ่งลำบากเท่าใด เรายิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นทั้งนี้หมายถึงว่าเพื่อการศึกษาและความรอบรู้ของวิญญาณคำว่าวิญญาณหรือจิตนี่ความหมายเดียวกันนะครับอที่ได้ผมพูดว่าวิญญาณให้หมายถึงจิตหรือว่าพูดถึงจิตก็หมายถึงวิญญาณไม่ใช่วิญญาณตามภาษาชาวบ้านที่พูดพูดถึงวิญญาณอันนี้หมายถึงความรู้หรือว่าจิตนั่นเอง คนส่วนมากมากักจะตีคุณค่าของชีวิตด้วยลาบผลที่หาได้เช่นตำแหนง่งยศศักดิ์ความสนุกสนานสำราญใจแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าแก่ชีวิตน้อยสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจริงๆคือพฤติกรรมที่ทำให้เราสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับสูง ความทุกยากและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้จักโลกและชีวิตดีขึ้นเพราะจุดประสงค์ใหญ่ของชีวิตก็เพื่อพัฒนาอํานาจที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราให้เจริญถึงขีดสุดประสบการณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เป็นส่วนหนึ่งแห่งบทเรียนของเราแต่น่าเสียดายนะครับที่คนส่วนมาก มักจะลืมข้อเท็จจริงอันนี้ไปคือว่าไม่ยอมรับบทเรียนที่มหาวิทยาลัยโลกเสนอให้ถึงต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าบทเรียนนั้นจะแจ่มแจ้งขึ้นในใจของเขาเองระยะเวลาจากชาติหนึ่ไปอีกชาติหนึ่งกำหนดแน่นอนไม่ได้ว่าถ้าปิญญาณหรือจิตก้าวหน้ามากมีคุณธรรมสูงมาก ก็จะอยู่ในโลกทิพย์สวรรค์ชั้นต่างๆนานเป็นพันเป็นหมื่นๆปีก็ได้ทั้งนี้เพื่อย่อยประสบการณ์ต่างๆเข้าสู่ปณิสัยแล้วมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพื่อหาโอกาสเรียนรู้บทเรียนที่ยังเหลือจูบางบทเขาสมัครใจมาเกิดเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนมนุษย์อันนี้ท่านผู้ฟังโปรดทราบนะครับนี่คือพรสวรรค์ นี่คือพอรสวรรค์ได้มาจากสาวรรค์จริงๆเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนมนุษย์หรือช่วยเหลือมนุษย์ในการพัฒนาจิตใจการตายแล้วเกิดเป็นกระบวนการที่สิ้นสุดเป็นกระบวนการที่สิ้นสุดได้ถ้าเราสามารถพัฒนาวิญญาณให้สมบูรณ์จนไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่อีกเลยชีวิตเพียงชาติเดียว ไม่เพียงพอที่จะหาประสบการณ์ให้แก่วิญญาณหรือจิตได้เรียกว่าเกือบจะร้จุดมุ่งหมายเอาทีเดียวมนนักเรียนที่มาโรงเรียนเพียงวันเดียวเพียงวันเดียวจะทันรู้อะไรเด็กที่เกิดมาในแหล่งสลัมในนครใหญ่ๆนั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาเกิดมาเพียงชาติเดียวเหตุที่ไม่มีอะไรสูญไม่มีอะไรถูกลืม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 และเหตุการสำคัญในชาติหนึ่งเป็นผลแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเขาในอดีตโชคชะตาไม่ใช่ใครจะหยิบชื่นให้ใครได้แต่มันเป็นผลรวมแห่งการกระทำของเราเองในอดีตจนถึงปัจจุบันความต้องการในอดีตของเราเป็นสิ่งกำหนดโอกาสในปัจจุบันของเรา <c oughs>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 บางยุคมีนักปราร์มาเกิดมากมายเป็นหมู่ๆเหมือนนัด ก, กันมาเกิดทั้งนี้เพื่อทําประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านทําขั้งคางไว้ให้เสร็จไปปัญหาที่น่าสนใจมากและก็น่าสงสัยมากอย่างหนึ่งก็คือว่าเหตุจใจคนส่วนมากจึงระลึกชัดไม่ได้มีคนส่วนน้อยแล้วเกินที่ระลึกชัดได้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 <c oughs> ของการกระทําหรือคําพูดของเราได้หมดแม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อวานนี้เองเราก็จําไม่ได้หมดในช่วงเวลาสองสามปีแรกแห่งชีวิตของเราเราจําอะไรไม่ได้เลยจะมาว่าว่าชีวิตตอนนั้นของเราไม่มีอย่างนั้นคือตามปกติเราจําสาระสําคัญแห่งชีวิตได้แต่เราจํารายละเอียดไม่ได้ก็สังเกตก็คือว่า เรามีท่าทีหวาดกลัวหรือชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เราไม่รู้สาเหตุของมันข้อนี้แสดงถึงความทรงจำในอนดีตของเราที่แฝงเร้นอยู่ที่นี้ก็ก็ทบทวนก็ทบทวนนิดหนึ่งใ น, ในเฉพาะเฉพาะเรื่องที่ควรจะนำมาทบทวนหรือว่าข้อที่ควรจะใส่ใจเป็นพิเศษ ว่าเรามีเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจลงพ้นความแก่ไปได้เป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่ามีพระพุทธภาษิตบางตอนที่ว่าอา น, นุ์สัตว์ผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา ไ, มได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว ก็ย่อมจะล่วงพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายไปได้อันนี้อดูเหมือนว่าพระพุทธภาษิตทั้งสองแห่งนี้จะขัดแย้งกันแต่ความจริงไม่ขัดแย้งกันไม่ขัดแย้งกันท่านบอกอันที่ว่าเรามีความแก่มีความเจ็บ มีความตายเป็นธรรมดาเป็นต้นนี้นะครับเป็นการบอกความจริงสภาวธรรมทำความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่ว่าสัตว์ผู้อาศัยกัลยาณมิตรเช่นเราแล้วพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้อันนี้ก็เป็นอุดมคติบอกถึงอุดมคติว่าถ้าปฏิบัติ อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สามารถจะล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้คือไม่เกิดอลไความมาไม่ต้องเกิดมาอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ยังเกิดอยู่ก็ต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ที่ท่านท่านจรักว่ า, าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดมีความแก่เป็นธรรมดาอาศัยเราแล้วก็จะพ้นจาก ความเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นก็คือว่าถ้าพ้นจากความเกิดได้เรือไม่เกิดมันก็พ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายไปได้ไม่ต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ <c oughs> แต่ว่าในระหว่างที่วนเวียนอยู่ในความแก่ความเจ็บความตาย ความแพ้พลากสูญเสียแล้วก็ความที่จะต้องเป็นผู้มีกรรมได้รับผลของกรรมยังไม่ได้โอเวอร์ทัมมิ่งันเรอบลอกรรมะยังไม่สามารถจะอยู่เหนือกรรมได้เาขาก็ทำชีวิตให้มีคุณภาพคือว่าแก่ก็แก่ยังมีคุณภาพอ ถึงจะเจ็บก็เจ็บจังเจ็บจังมีสติสัมปชัญญะเจ็บจังเอาความเจ็บมาเป็นมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรมเจ็บเจ็บเกาใดก็ฉลาดขึ้นเกากันได้รู้ได้รู้ลีลาท่าทางหรือว่าอะไรอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความเจ็บ แล้วเราก็เอาความเจ็บไา้ได้ป่วยนั่นมาให้เป็นประโยชน์กับความรู้สึกนึกคิดจิตใจเพราว่าความเจ็บป่วยทำให้ฉลาดขึ้นนะเพว่าเรื่องความแก่ก็แก่ก็ต้องแก่ไปแต่ว่าให้แก่ยังมีคุณภาพ มีคนตามาเมื่อวานนี้ก็มีคนถามว่านางวิสาขานั่นว่าอายุร้อยยี่สิบแล้วยังสวยอยู่สวยได้อย่างไรก็บอกว่าก็สวยไปตามวัยนความว่าไวัยงามนางวิสาขาก็ได้ลักษณะเบญจา ก, กัลารรยา น, นีในลักษณะเบญจากัลยา น, นีความงามหายา ก็มีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวัยงามวัยงามก็คืองามสมวัยหรือว่าอายุร้อยยี่สิบก็สวยแบบคนอายุร2อยยี่สิบทำนองนั้นไปแก่อย่างมีคุณภาพทีม่มีประโยชน์ทำประโยชน์ได้ตำประสาทำประสาคนแก่เวลาเจ็บก็เหมือนกัน บาดเจ็บให้ได้ประโยชน์บาดเจ็บแล้วได้ประโยชน์โรคทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแก่เรามันไม่ได้เกิดขึ้นแก่เราคนเดียวมันเกิดขึ้นแก่คนอื่นด้วยอลองไปเถอะไปโรงพยาบาลไปหาหมอไม่ว่าแผนกไหนมันต้องมีเพื่อนร่วมเจ็บกับเราอยู่ทั้งนั้นในทางศาสนาจึงบอกให้มีจิตเกื้อกูลต่อกัน แล้วก็มองดูในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอคิดได้อย่างนี้พอคิดว่า อ, อ๋อเขาเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเราไอ้ความคิดอาฆาตพยาบาทความเกลียดชังความรู้สึกไม่ดีอะไรต่างๆมันลดลงไปถึงจะไม่หายไปทั้งหมดแต่มันก็ลดลงไป ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายครับเราเขาจะเป็นอย่างไรอย่างไรเขาก็เป็นเพื่อนเราในฐานะหนึ่งคือฐานะอจะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันแล้วก็เขาก็ต้องพัดพรากสูญเสียต้องพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่เขามี เขามีสิ่งใดอยู่เขาก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้น <c oughs> มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่นึกถึงความสูญเสียทีไรก็นึกถึงพระเจ้าทางกราชพระเจ้าทางกราชทรงสูญเสียราชสมบัติแต่ก็ทรงรักษาพระไทยไว้ได้ไม่ให้หมนหมองไม่ให้เศร้าหมอง ว่าจนพระเจ้าพระเจ้าคาตกราชพระเจ้าคาตกราชไม่ใช่พระเจ้าทางกราชพระเจ้าทางกราชนั้นเป็นศัตรูเป็นศัตรูที่พูดจับจับพอพระเจ้าคาตกราชมาขังคุกแล้วก็พระเจ้าฆาตกราชนั้นสูญเสียราชสมบัติสูญเสียอิสรภาพสูญเสียศักดิ์ศรีแห่งความเป็นกษัตริย์ แต่ถึงกระ น, นั้นก็ท่านก็รักษาสุขภาพไว้ได้หน้าตาป่องใสเหมือนแว่นไว้จนจนพระเจ้าทางการาชเลื่อมใสเลื่อมใสทรงปล่อยไปถ้าเราจะสูญเสียอะไรไปบ้างก็ให้นึกถึงพระเจ้าข้าตาราชเพราะทรงทรงสูญเสียถึงราชสมบัติ แล้วก็สามารถจะรักษาพระไทยไว้ได้ไม่ให้เศร้าโศกไม่ให้เศร้าหมองอเราก็สูญเสียกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันมันเล็กน้อยแล้วเกินเท่ากับขี้ฝุ่นเท่ากับขี้ฝุ่นนิดหน่อยขี้ฝุ่นที่ติดเล็บอยู่อะไรทนองนี้ก็ก็ได้กำลังใจ ได้กำลังใจจากเรื่องเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรสูญเสียอะไรไปก็รักษาสุขภาพจิตไว้ก่อนในด้านความสูญเสียเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นเป็นที่รักเป็นที่พอใจเวลานี้ <c oughs> ก็ดูข่าวทางทีวีบ้าดูแล้วก็มีการฆ่ากันตายมีการอะไรกันมากมาย พ่อแม่โดยเฉพาะแม่ของคนที่ถูกฆ่าตายท่านก็สูญเสียสิ่งที่รักอย่างมากก็เศร้าโศกจนคุมตัวไม่อยู่คือว่าสติสัมปชัญญะมันหายไปหมดรียกว่ามันร้องไห่ร้องไห้จนจนมันลืมตัวร้องไห้จนลืมตัวไม่สามารถที่จะยับยังได้ ในเวลานั้นอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกมาก่อนแต่ก็นั่นแหละคนพูดก็พูดได้พูดได้แต่ว่าไปโดนเขาจริงไม่รู้จะทําได้สักแค่ไหนบางทีเราก็ปลอบคนอื่นได้แต่ว่าถ้าโดนเขากับตัวเองทุกข์กับตัวเองอไม่รู้จะทําได้สักแค่ไหน <c oughs> ว่าให้เราจะรักษาจิตใจไว้ได้สักแค่ไหนอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไหว้บ่ยปล่อยพระพุทธเจ้าท่านเสียสละราชสมบัติออกมาบวชแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเป็นของพระองค์เลยือไม่ได้ยึดอะไรว่าเป็นของพระองค์เลยเมื่อเสียสละเมื่อสละราชสมบัติที่จะมาถึงเข้าแก่พระองค์มาบวชแล้วก็จาริกไป ในที่ต่างๆแบบ อ, าอนาคาริกะมุนีเป็นมุนีผู้ที่ไม่มีเรือนแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของพระองค์เลยวัดเชตะวันที่เราสร้างถวายก็ถวายสงวัดเวลุวันวัดเวลุวันที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายก็ถวายสงศวัดอะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนานั้นก็เขาถว า, ายทรงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ยจดถือว่าเป็นของพระองค์ไม่มีอะไรเป็นของพระองค์เลยแม้แต่น้อยก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราผู้เป็นชาวพุทธว่าท่านที่ท่านมีถึงขนาดนั้นแล้วท่านก็ยังสละ ออกมาเป็นผู้ไม่มีแล้วเราอย่างเราเรานี่จะมีอะไรสูญเสียอย่างเราเรานี่จะมีอะไรสูญเสียมันมัน เ, มนเหมือนกับว่าเทียบกับท่านแล้วมันเทียบกันไม่ได้เลยถึงเราจะรู้สึกว่าแหมมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราแต่ว่าเมื่อนึกถึงท่านแล้วมันอก ที่ประดิวแล้วเกินคือมันเล็กน้อยเหลือเกินอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียหมดแล้วหรือสูญเสียมากมายอะไรอย่างนี้เทาวันเล็กๆมันผูกขานกได้เทาวันเล็กๆมันผูกกานกได้อผูกขานกแล้วนกก็ดิ้นไม่หลุดมันก็ ถูกผูกขายอยู่นั่นเองแต่ว่าเทาวันอย่างนั้นเอาไปผูกช้างช้างไว้ตัวทีเดียวมันก็ขาดหมดแล้วขาดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่ก็พูดอันนี้ต้องการให้รู้อะไรต้องการจะให้คิดอะไรคือว่าความรู้สึกต่างๆของคนเรา ความรู้สึกทุกข์ก็ตามความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกเศร้าโศกความรู้สึกได้มาอะไรต่างๆมันอยู่ที่ความรู้สึกมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ได้มาหรือสิ่งที่สูญเสียไปแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกถ้าเราเป็นมหาบุรุษมหาวีรสตรีมหาบุรุษมหาสตรีอะไรก็แล้วแต่ ได้สิ่งที่สูญเสียไปที่คนอื่นเขารู้สึกว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคคลเช่นนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะสูญเสียเพราะว่าไม่ได้ยึดถืออะไรว่าเป็นของตนมันเป็นในเพียงอาศัยใชย้อาศัยใ ช, ช้ชั่วคราวอาศัยใช้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่มีอะไรเป็นของตนเพราะว่าในที่สุดเราก็จะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอัสโกโลโกสัตว์โลกไม่มีอะไรเป็นสิ่งเป็นของของตนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปในที่สุดเราต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเพราะว่ามันเลยไม่มีอะไรจะสูญเสียได้เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าในที่สุดเราจะต้องสูญเสียหมดทุกอย่าง เมื่อความตายมาถึงเข้าเราก็ต้องสูญเสียหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือ แ, ลแม้แต่อย่างเดียวในร่างกายของเราซึ่งเป็นที่รักที่หวงแหนเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เรารักเราหวงแหนมากที่สุดมันก็ก็เอาไปไม่ได้ก็ไม่เป็นของเราในที่สุดก็ต้องไปฝังไปเผาไปแล้วแต่คนที่อยู่ข้างหลังเขาจะทำอย่างไร ว่าทำใจล่วงหน้าเอาไว้อย่างนี้แล้วมันก็เป็นกันเองเป็นกันเองกับความเจ็บไข้กับความตายกับความสูญเสียกับความผลัดพรากกับอะไรต่ออะไรต่งตางๆเพราะว่าปรงไปได้เยอะทีเดียวอันนี้ข้อที่สามนะครับเ <c oughs> ว่าเรามีความ ข้อที่สี่เราจะต้องแพดรักจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดานี่ก็มาถึงข้อสุดท้าย <c oughs> ข้อสุดท้ายข้อที่ห้าคือว่าเรามีกรรมให้พิจารณาก ร, รมให้มากๆพิจารณาถึงกรรมให้มากๆในชีวิตประจำวัน เ, เ, เรากรรกรรมทุกวัน เล็กบ้างใหญ่บ้าง ม, มีเจตนาที่จะทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเพราเพียงแต่คิดมันก็เป็นแล้วเพียงแต่คิดมันก็เป็นกรรมแล้ว <c oughs> กรรมทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วมันมันมากมายเหลือเกินแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันสลับซับซ้อนในชีวิ ต, ตกรรม กรรมและจิตถือว่ากรรมหรือวิบากที่มีอยู่ในจิต <c oughs> ด้ว่อำนาแห่งกรรมคือความคิดบ้างการกระทำบางมันสลับซับซ้อนกันอยู่ในจิตของเราลึกจนไม่รู้จะลึกอย่างไรามหาสมุทรก็สุดที่จะลึกมากแล้วแต่ว่า อะไรอะไรต่างๆที่มันอยู่ในจิตของเรามันลึกมากกว่านั้นอีกมันยังถึงได้จากก็ว่าสะสมมานานหลายัตหลายหลายหลายแสนปีหลายล้านปีในสังสารวัตที่ยาวนานนี้เพรา ะ, ะนั้นก็ให้นึกถึงกรรมแล้วว่าเรา จะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้คือว่าพยายามเปลี่ยนแปลงให้มันดีกรรมก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่เราจะทำจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้มันเป็นอย่างไรเพราะมันไม่เที่ยงกรรมก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันกรรมก็เป็นสังขารเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราเสร้างเหตุปัจจัยให้ดีมันจะเปลี่ยนไปในทางดี ถ้าสร้างเหตุปัจจัยไม่ดีมันจะเปลี่ยนไปในทางไม่ดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่ผมจะสรุปผมพอสรุปให้ฟังสั้นๆจากที่พูดมาประมาณยี่สิบหกครั้งที่ยี่สิบหกครั้งก็พูดสรุปให้ฟังครั้งเดียวว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีผู้ท่านผู้สนใจว่าผู้เรื่อง สังสารวัฏหรือจุดมุ่งหมายในการเกิดใหม่นั้นอยากจะฟังต่อแต่นี้มันก็ควรจะจบผมก็เลยจบแต่ที่จริงก็มีเยอะครับที่จะพูดให้ฟังในเรื่องการเกิดใหม่ดีด้วยวก็เอาไว้ในเอซ็ชันอื่นบ้างเอาไวใ้ในในที่อื่นบ้างในคราวอื่นบ้างเวลาพูดถึงเรื่องอื่นอาจะนำมาได้ ท่านผู้ฟังที่เคารพกั บ, บวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ขอุตติเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ทํารายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับที่ท่านสาธุชนได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมและทัศนะชีวิตบรรยายธรรมโดยอาจารย์วะสินอินทสละ